วิธีสร้างความจุงใจที่จะจำนักจิตวิทยาได้แนแนวทางหรือวิธีที่จะสร้างความจุงใจที่จะให้มนุษย์มีความสามารถที่จะจำได้ตามประสงค์ไว้ดังนี้หนึ่งความมีระเบียบ ความจำของคนเราต้องการความมีระเบียบข้าพเจ้าเคยได้ยินบุคคลส่วนมากโอดครวนว่าเขาเหล่านั้นล้วนแต่เป็นคนที่มีความจำเลวมากคือจำอะไรได้เพียงชั่วครู่ชั่วยามก็ลืมเสียแล้วบางทีจำได้ไม่ทันข้ามคืนก็ลืมเสียแล้วที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะบุคคลเหล่านั้นมักจะใช้ความจำของเขาอย่างฟุ่มเฟือยเกินไปและอย่างไร้ประโยชน์ทั้งนี้ก็เพราะโดยปกตินั้นเหตุการณ์ประจำวันที่ได้เกิดขึ้นนั้นมีมากมายหลายสิบหลายร้อยอย่าง คุณก็พยายามจะจำไปเสียสิ้นทุกอย่างจนสับสนกันไปหมดซึ่งนับว่าเป็นการจำอย่างไร้สาระปราศจากระเบียบเมื่อสิ่งที่คุณพยายามจำได้ถูกบันทึกลงไปในสมองช่องความจำมากมายเช่นนั้นก็ย่อมจะเกิดการสับสนเมื่อถึงคราวที่คุณต้องการจะระลึกถึงเรื่องสำคัญๆจึงไม่อาจจะเอาความจำที่ถูกต้องที่ถูกอัดลึกลงไปนั้นขึ้นมาใช้ได้เมื่อต้องการ โดยปกติแล้วประสบการณ์ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของคุณในแต่ละวันนั้นมีมากน้อยเพียงใดและมันสมองของคุณมีขนาดเท่าใดดังนั้นถ้าคุณจะจดจำไปเสียทุกสิ่งทุกอย่างแล้วลองคิดดูซิว่าคุณจะต้องมีสมองที่ใหญ่โตขนาดไหนจึงจะบันทึกสิ่งต่างๆเหล่านั้นไว้ได้หมดสิ้น การที่คนเราบางคนปล่อยให้สมองต้องรับเอาเรื่องราวต่างๆที่คุณใคร่จะจําตามใจชอบนั้นสมองของคุณก็จะเต็มไปด้วยเรื่องจิ ป, ปาถะและจะจําได้แต่เพียงสิ่งละอันพันละน้อยเท่านั้นและถ้าจะนําไปใช้คุณก็ได้ประโยชน์ไม่สมดังความมุ่งหมายความจําที่คุณปล่อยเข้าไปในสมองในลักษณะตามเรื่องตามราวเช่นนั้นย่อมจะเป็นความจําที่ไม่ให้ประสิทธิภาพ ดังนั้นถ้าคุณต้องการจะให้ความจำของคุณเป็นความจำที่มีประสิทธิภาพแล้วคุณจะต้องเลือกจำและจัดระเบียบการจำโดยไม่ปล่อยให้สมองของคุณเลือกจำอะไรตามใจชอบ 2. ความจำต้องมีจุดมุ่งหมายอย่าลืมว่าสิ่งที่จะจูงใจก่อให้เกิดความจำที่มีประสิทธิภาพขึ้นได้นั้นจะต้องมีจุดมุ่งหมาย ความจำที่มีจุดมุ่งหมายนั้นหมายความว่าจะต้องมีสิ่งจูงใจอันแรงกล้าบางอย่างซึ่งสิ่งจูงใจนั้นจะเป็นเสมือนสื่อนำให้คุณจำบางสิ่งบางอย่างได้มากกว่าบางสิ่งบางอย่างที่ปราศจากการจูงใจดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าก้าวสำคัญในการที่จะนำคุณไปสู่ความจำอันมีประสิทธิภาพนั้นก็คือจุดมุ่งหมายในอันที่จะจำ จุดมุ่งหมายนั้นอาจไม่จำเป็นต้องเกี่ยวกับการจำโดยตรงเช่นในการเล่าเรียนนั้นทุกคนมีจุดมุ่งหมายว่าต้องการที่จะผ่านการสอบไล่ปลายปีให้ได้เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเราก็ต้องเอาใจใส่ในการเล่าเรียนจดจำคำสอนและกฎเกณฑ์ของวิชาต่างๆเช่นจำสูตรในทางวิทยาศาสตร์หลักเกณฑ์ในทางวิชาคนวณและทฤษฎีต่างๆที่เกี่ยวกับวิชาเลขคณิตพีชคณิตสั์ในภาษาต่างประเทศ วายกณ์และอื่นๆเมื่อเรามีจุดมุ่งหมายมีความพยายามตั้งใจจำดังนี้แล้วเราก็ย่อมเกิดความตั้งใจเก็บเอาความรู้และสิ่งที่อยู่ในแนวทางที่จะทําให้เราบรรลุดถึงความมุ่งหมายนั้นๆเข้าไว้ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ผลก็คือเราสามารถจําได้อย่างแม่นยําถูกต้องหรืออย่างมีประสิทธิภาพนั่นเอง 3. พยายามตั้งจุดหมายด้วยตนเอง แผนการที่จะคอยให้มีผู้มาบงการหรือมาตั้งจุดหมายที่จะจุดจำให้แก่เรานักจิตวิทยากล่าวว่าการตั้งจุดหมายด้วยตนเองนั้นมีอิทธิพลยิ่งกว่าการที่จะคอยให้คนอื่นมาบงการหรือมาตั้งจุดหมายให้ดังนั้นการตั้งจุดหมายที่จะจำของคุณจึงควรจะเป็นจุดหมายที่เราตั้งขึ้นเองซึ่งอาจจะทำได้ด้วยวิธีหนึ่ง พยายามตั้งจุดมุ่งหมายอย่างใดอย่างหนึ่งสำหรับตัวเองสองพยายามนำให้ผู้อื่นตั้งจุดหมายของเขาเองแทนที่จะนำเอาจุดหมายที่เราได้สร้างไว้สำเร็จแล้วไปตั้งให้เขาสี่จุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ต้องชัดเจนการตั้งจุดหมายของเรานั้นควรจะต้องให้เป็นจุดหมายที่ชัดเจนปราศจากข้อเครือบแคลงชวนให้สงสัยไม่แน่ใจเพราะจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนนั้นจะให้ความสมหวังแก่ความจำของเรามากขึ้น การตั้งจุดหมายที่กว้างขวางอาจจะเป็นสิ่งที่จูงใจให้เราได้รับผลในการเสริมสร้างพลังความจำมากกว่าคนที่ไม่มีจุดมุ่งหมายอยู่บ้างแต่ก็ไม่ได้ตรงเป้าหมายของวิธีการสร้างพลังความจำมากนักเพราะเป็นการตั้งจุดหมายที่กว้างเกินไปดังนั้นการตั้งจุดหมายเราควรจะต้องตั้งให้ชัดเจนและอยู่ในวงแคบพอที่เราจะได้แนวทางว่าควรจะเลือกจำประสบการณ์เช่นไรหรือสิ่งใดขอให้ตั้งจุดหมายให้ชัดเจน พอที่จะเป็นเครื่องช่วยให้เราเตรียมสมองไว้เพื่อที่จะจดจำสิ่งเฉพาะอย่างที่เกี่ยวกับจุดหมายที่เราตั้งนั้นๆถ้าเราปรารถนาที่จะได้มีความจำอันมีประสิทธิภาพ 5. จุดหมายที่ตั้งไว้ควรเป็นจุดหมายที่อาจบรรลุได้โดยพลันการตั้งจุดหมายที่อยู่ใกล้มือหรือแลเห็นผลได้ในอนาคตอันใกล้นั้นอาจช่วยในการจำของเราได้มากกว่าจุดหมายที่อยู่ห่างไกลทั้งนี้ก็เพราะจุดหมายที่ยังอยู่ห่างไกล อาจทำให้เราเกิดท้อใจขึ้นมาได้มากกว่าเช่นถ้าเราตั้งจุดหมายว่าจะท่องศับภาษาอังกฤษคืนละสิบคำย่อมได้ผลดีกว่าที่ตั้งจุดหมายไว้ว่าจะท่องคำศับทั้งหมดให้ได้ภายในเวลาสามปีอย่างไรก็ตามจุดมุ่งหมายที่อาจจะสาเร็จในระยะเวลาที่ยาวนานนั้นก็นับได้ว่า เป็นจุดมุ่งหมายในการเสริมสร้างพลังความจำเช่นกันแต่ควรจะได้รับการแบ่งแยกซอยลงมาให้สั้นเข้าเช่นแทนที่จะตั้งจุดมุ่งหมายว่าจะเรียนกฎหมายเพื่อให้ได้ปริญญาเอกทางนิติศาสตร์เราควรจะซอยให้สั้นลงมาทีละขั้นคือขั้นแรกหวังที่จะให้ผ่านการสอบไล่ปีที่หนึ่งขึ้นไปอยู่ปีที่สองก่อนแล้วจึงค่อยๆขยิบขึ้นไปตามลาดับ คือหวังที่จะได้อนุปริญญาทางนิติศาสตร์ก่อนเมื่อได้แล้วจึงมุ่งเอาปริญญาตรีปริญญาโทต่อไปตามลําดับดังนี้เราจึงเกิดความพยายามเกิดความสนใจที่จะจําได้มากกว่า 6. ตั้งจุดหมายให้ดําเนินต่อไปเรื่อยๆการตั้งจุดมุ่งหมายที่จะจํานั้นควรจะต้องให้ดําเนินต่อไปเรื่อยๆไม่ชะงักงันและไม่ขาดตอน ซึ่งจะเป็นการเพิ่มพูนความจําของเราให้มากขึ้นเรื่อยๆไปแต่ถ้าเราเพียงแต่ตั้งความมุ่งหมายไว้เฉพาะในเรื่องใดเรื่องหนึ่งและหยุดเสียเมื่อบรรลุจุดประสงค์ในเรื่องนั้นแล้วต่อไปความจําของเราก็จะกลับต่ําและเสื่อมทรามลงโปรดจําไว้ว่า จุดหมายที่ดำเนินต่อไปเรื่อยๆนั้นจะเป็นกำลังสำคัญในการเสริมสร้างพลังความจำของเราให้ก้าวหน้าไปเรื่อยๆทำให้เรามีสติในความจำเพิ่มมากขึ้นในแต่ละวันและจะเป็นประโยชน์แก่ตัวเราเป็นอย่างยิ่งปฏิกิริยาช่วยความจำการที่เราจะจำสิ่งต่างๆได้นั้นมีใช่จำเพราะเพียงแต่ว่ามันได้เกิดขึ้นรอบๆตัวเราเท่านั้นแต่จำได้เพราะเรามีปฏิกิริยาต่อสิ่งนั้นเมื่อมันได้เกิดขึ้น วิลเลียมเจมนักจิตวิทยาผู้นี้มีชื่อเสียงแห่งมหาวิทยาลัยฮาวาร์ดได้เล่าเรื่องเกี่ยวก่การแสดงสุนทรพจน์ของเขาให้นักศึกษาฟังว่าครั้งหนึ่งเขาได้รับหน้าที่ให้เป็นผู้กล่าวสุนทรพจน์ต่อนักศึกษาและบุคคลผู้บริหารประเทศคนหนึ่งเขาเล่าว่าครั้งแรกรู้สึกไม่สบายใจในการที่จะต้องขึ้นพูดท่ามกลางบุคคลชั้นผู้บริหารและปัญญาชนเช่นนั้นแต่เพื่อนรักของเขาคนหนึ่ง ได้แนะนำให้เขาทำใจให้เข้มแข็งด้วยการดื่มวิสกี้เขาได้กระทําตามและปรากฏว่าได้ผลดีวิสกี้ช่วยให้เขาคลายความประมาแต่ในขณะเดียวกันวิสกี้ก็ทำให้เขาลืมสุนทรพจน์บางตอนที่ได้เตรียมไว้เช่นกันผู้จัดการฝ่ายขายบริษัทค้าเครื่องสาอางที่มีชื่อคนหนึ่งไม่ได้พักผ่อนหลับนอนมาตลอดคืนเพราะต้องพยาบาลภรรยาสาวที่เกิดล้มป่วยลงอย่างกระทันหัน ครั้นในตอนเช้าเขารีบมาทำงานตามปกติแต่ปรากฏว่าเขาทำงานผิดพลาดคือเมื่อเขาได้บอกให้เลขาของเขาพิมพ์จดหมายไปถึงลูกค้าฉบับหนึ่งนั้นเขาได้ถูกเลขาของเขาท่วงขึ้นว่าจดหมายฉบับนั้นได้พิมพ์ไปแล้วเมื่อวานนี้เองเขาจึงหวนระลึกได้ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะเขามีปฏิกิริยาต่ำมากเนื่องจากมีการหลับนอนพักผ่อนไม่เพียงพอนั่นเอง จากตัวอย่างเหล่านี้แสดงว่าบุคคลจะมีความจำเรื่องราวต่างๆได้แม่นยำหรือลืมง่ายนั้นก็เพราะเขามีปฏิกิริยาต่อสิ่งนั้นมากหรือลดน้อยลงไปเท่านั้นริดแอลกอฮอล์และภาวะที่เสื่อมสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจอาจทำให้ปฏิกิริยาของมนุษย์เราต่ำลงได้ปัญหาที่เกี่ยวกับปฏิกิริยานั้น ก็คือปัญหาที่ว่าเราจะมีความรู้สึกสนองตอบต่อสิ่งที่เกิดแก่เราและเราต้องการจะจํามากน้อยเพียงใดนักจิตวิทยาผู้หนึ่งได้วางกฎและหลักเกณฑ์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับปฏิกิริยาที่ช่วยความจําไว้ดังนี้ถ้าหากว่าเราต้องการจะจดจําให้แม่นยําเพื่อระลึกขึ้นได้ถึงสิ่งใดในภายหลังแล้วล่ะก็เราจะต้องมีปฏิกิริยาต่อสิ่งนั้นนั้นให้เพียงพอปฏิกิริยาที่ง่ายที่สุดที่เราจะกระทําได้ก็คือ การชำเลืองดูเหตุการณ์หรือที่เกิดขึ้นหรือจะกล่าวง่ายๆก็คือเพียงแต่คุณให้ความสนใจแก่สิ่งนั้นหรือเหตุการณ์เพียงเล็กน้อยเท่านี้ก็กล่าวได้ว่าได้เกิดปฏิกิริยาอย่างเพียงพอแก่การที่จะจำชั่วเพียงระยะเวลาอันสั้นถ้าเวลาล่วงเลยไปนานก็จะลืมเสียสิ้นแต่ถ้าคุณมีปฏิกิริยาต่อสิ่งใดมากเพียงใดความจำก็จะยืนยาวมากขึ้นเพียงนั้นดังนั้นเพื่อที่จะให้มีความจำดีขึ้นและจำได้นานขึ้น คุณก็จะต้องพยายามให้เกิดปฏิกิริยามากขึ้นเพียงนั้นซึ่งจะกระทําได้ดังนี้ 1. กระทําปฏิกิริยาซ้ำๆกันหลายๆครั้ง 2. ใช้เวลานานขึ้นในปฏิกิริยาแต่ละครั้ง 3. ปฏิกิริยาด้วยความสนใจส่วนตัวการที่คุณได้มีปฏิกิริยาอย่างเพียงพอนั้นจะทำให้เกิดภาพพิมพ์ใจหรือรอยประทับใจขึ้นในประสาทสมองเกี่ยวกับความจาในทางนขนคว้า ปรากฏบ้ารอยประทับลงไปนั้นเป็นการเปลี่ยนแปลงบางประการทางชีวเคมีสิ่งทั้งหลายที่ได้เก็บสะสมไว้ในความจําก็คือการเปลี่ยนแปลงทางเคมีในเซลล์ที่อุบัติขึ้นอย่างสลับซับซ้อนและรวด เ, เร็วและเป็นที่เชื่อกันว่าเซลล์ประสาทเซลล์เดียวจะมีความจําต่างๆหลายสิ่งหลายอย่างหมุนเวียนอยู่และเพราะเซลล์ประสาทเหล่านี้เองที่สามารถทาให้คุณระลึกถึงความจาต่างๆที่ต้องการขึ้นมาได้ คลื่นสมองแสดงให้เห็นปฏิกิริยาในเมื่อมนุษย์เรายังมีชีวิตอยู่ปริมาณคลื่นไฟฟ้าจะถูกสั่งออกมาจากสมองของเราทุกขณะจากการค้นคว้าของนายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้พบว่าคลื่นสมองของมนุษย์เราจะเกิดการเปลี่ยนแปลงขณะเมื่อขบวนการในเซลล์สมองไหวตัวจากขณะหนึ่งไปสู่ขณะหนึ่ง การเปลี่ยนแปลงของคลื่นสมองให้ได้ข้อเท็จจริงอันแม่นยำภายในเกี่ยวกับปฏิกิริยาในสมองของเราซึ่งพอจะสรุปได้ดังนี้หนึ่งในขณะที่มนุษย์หลับสนิทคลื่นสมองจะส่งออกมาอย่างเชื่องช้าที่สุดประมาณวินาทีละสองคลื่นเท่านั้นขณะ น, นี้ปฏิกิริยาของเราตกลงไปอยู่ในระดับต่ำสุดดังนั้นสิ่งใดก็ตามที่เกิดขึ้น ในเมื่อปฏิกิริยาของเราอยู่ในระดับต่ำสุดเช่นนั้นเราจะไม่อาจมา ล, ลึกได้ในภายหลังได้เคยมีการทดลองเอาหูเครื่องรับวิทยุใส่เข้าไว้ในหูของคนที่หลับสนิทปรากฏว่าไม่มีความจำเกิดขึ้นแก่คนนั้นเลยเพราะเมื่อเราหลับสนิทนั้นปฏิกิริยาเกี่ยวกับความจำไม่มีเลย 2. ขณะที่กาลังเคลิมหลับในขณะ น, นี้คลื่นสมองจะส่งออกเร็วกว่าขณะที่กำลังหลับสนิทเล็กน้อยแสดงว่า ปฏิกิริยาทางเคมีในสมองยังคงเหลืออยู่บ้างแต่ไม่มากนักดังนั้นในขณะที่เราเคลิ้มหลับหรือเข้าพววงนั้นเราอาจจะจำอะไรได้บ้างอย่างเลื่อนลอยและอาจจะระลึกได้ในตอนเช้ารุ่งขึ้นแต่ก็จำไม่ได้นานนักในระยะที่เรากำลังง่วงจัดหรือเคลิ้มหลับนี้ปฏิกิริยาแม้จะมีอยู่บ้างแต่ก็น้อยมากเหลือเกินดังนั้นความจำในระยะดังกล่าวนี้จึงเลอะเลือนใช้การไม่ได้ ด้วยเหตุนี้ถ้ารู้สึกง่วงจัดจึงไม่ควรฝืนใจท่องตำราต่อไปเพราะไม่ได้ผลแม้แต่น้อยถ้าง่วงจัดควรพักและหลับสักหีบเมื่อตื่นขึ้นล้างหน้าล้างตาแล้วจะรู้สึกสดชื่นแจม่มใสขึ้นมากนั่นแหละจึงควรลงมือท่องตำราต่อไปสขณะที่นอนพักผ่อนวงเล็บเปิดไม่หลับวงเล็บปิดในระยะเวลาที่เรานอนพักผ่อนแต่ไม่ใช่นอนหลับเช่นนี้แม้เราจะหลับตาเพื่อเป็นการพักผ่อนสายตา แต่สมองของเราจะไม่หลับไปด้วยโดยปกติแล้วขณะนอนพักผ่อนเช่นนั้นเรามักจะปล่อยความคิดให้ล่องลอยไปในที่ต่างๆคลื่นสมองจะเคลื่อนที่เร็วมากขึ้นประมาณวินาทีละสิบครั้งการที่คลื่นสมองเพิ่มขึ้นนี้แสดงว่าเรามีปฏิกิริยามากกว่าในขณะที่เคลิ้มหลับหรือง่วงจัดในระยะนี้เราจึงอาจจะจดจำสิ่งที่อุบัติขึ้นจากทางหูหรือทางตาได้มากขึ้น แต่ก็ยังไม่เทียบเท่าหรือไม่สมบูรณ์เท่าเวลาปกติในขณะที่เรานอนพักผ่อนถ้าหากว่าเราไม่หลับตาและได้ใช้ในตาเหลือบมองสิ่งใดอยู่ด้วยความสนใจแล้วปฏิกิริยาของเราในระยะนั้นจะว่องไวคลื่นสมองจะเคลื่อนไหวเร็วยิ่งขึ้นดังนั้นจะเห็นได้ว่าคลื่นสมองของคนเรานั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงความเร็วอยู่ตลอดเวลาและปฏิกิริยาเกี่ยวกับความจําก็ย่อมแปรเปลี่ยนมากและน้อย ไปตามความเปลี่ยนแปลงของคลื่นสมองเช่นเดียวกันการเปลี่ยนแปลงของคลื่นสมองของมนุษย์เรานั้นย่อมไม่เหมือนกันทุกคนแต่ส่วนมากแล้วมนุษย์เรามักจะดำเนินชีวิตอยู่ด้วยการที่มีการเปลี่ยนแปลงของคลื่นสมองในระดับปานกลางหรือที่มีปฏิกิริยาปานกลางต่อความจำนอกจากจะได้รับการยั่วยุจากการที่ต้องขบปัญหาต่างๆบ้างเกิดความสนใจเรื่องใดเป็นพิเศษบ้างหรือมีความทะเยอทะยานอยากบ้างนั่นแหละ ปฏิกิริยาของเราจึงเพิ่มขึ้นอย่างไรก็ตามมนุษย์เราย่อมมีวิธีที่จะบังคับให้ปฏิกิริยาของเราเพิ่มมากขึ้นได้จนถึงขีดที่มีคุณค่าเหมาะสมด้วยการเพิ่มความสนใจต่อสิ่งที่เกิดขึ้นและเราต้องการจะจำนั้นขณะเมื่อเราเพิ่มปฏิกิริยาของเราขึ้นนั้นคลื่นสมองและเซลล์สมองก็จะเคลื่อนไหวไปในอัตราที่เท่ากันพร้อมกันนั้นระบบประสาท ก็จะได้รับการทวีกําลังขึ้นจนสามารถทําให้เกิดรอยประทับใจใหม่ๆขึ้นหรือไม่ก็ฟื้นรอยประทับเก่าๆที่เราต้องการจะระลึกขึ้นมาจากการสังเกตนักจิตวิทยาหลายท่านได้กล่าวพ้องต้องกันว่ามนุษย์เรานั้นมีปฏิกิริยาไม่เท่ากันในแต่ละคนกล่าวคือในขณะเดียวกันบางคนมีปฏิกิริยาสูงแต่บางคนมีปฏิกิริยาต่ําความแตกต่างของปฏิกิริยาของมนุษย์เรานั้น ส่วนหนึ่งเกิดมาจากกำเนิดกล่าวคืออัตราความเร็วของคลื่นสมองสำหรับผู้ใหญ่เฉลี่ยแล้วประมาณวินาทีละสิบวงเล็บเปิดในรายปกติวงเล็บปิดแต่บางรายก็ช้าคือมีเพียงวินาทีละหกเท่านั้นและบางคนก็เร็วกว่าปกติคือมีอัตราถึงวินาทีละสิบสองหรือสิบสี่ทั้งนี้จากการสำรวจในหญิงชายวัยชกัน ผู้ที่มีนิสัยขลาดคอยเหนียวรั้งตนเองหรือมีประสาทอ่อนหวาดกลัวต่อความคิดแม้ของตนเองหรือมีความวิตกกังวลอยู่ตลอดเวลานั้นจะเป็นผู้มีปฏิกิริยาไม่เพียงพอแก่การที่จะจดจําเหตุการณ์ต่างๆที่อุบัติขึ้นได้อย่างแม่นยําและต่อๆไปเขาอาจจะกลายเป็นคนที่เป็นโรคความจําเสื่อมก็ได้บุคคลที่มีแต่ความกังวลต่อคําตําหนิหรือคำวิพากวิจารณ์ของคนอื่นที่มีต่อตอนนั้น ก็จะเป็นผู้ที่มีปฏิกิริยาไม่เพียงพอแก่การจะก่อให้เกิดความจำอันมีประสิทธิภาพได้ด้วยเหตุนี้จึงอาจกล่าวได้ว่าปฏิกิริยาที่บุคคลใดแสดงออกมานั้นย่อมอาศัยรากฐานส่วนหนึ่งจากลักษณะอันมีมาแต่กำเนิดและอีกส่วนหนึ่งมาจากนิสัยและท่าทีที่เขาได้รับมาในระหว่างการดาเนินชีวิตการเตรียมตัวเพื่อให้เกิดปฏิกิริยาช่วยความจาความจาของเราที่เกิดขึ้นได้นั้น นอกจากจะเกี่ยวกับความตั้งใจที่จะจำแล้วยังเกี่ยวกับการเตรียมตัวเพื่อให้เกิดปฏิกิริยาที่จะช่วยความจำอีกด้วยประสาทสมองก็เช่นเดียวกับกล้ามเนื้อของร่างกายกล่าวคือเมื่อนักมวยแม้จะมีฝีมือดีจะขึ้นชกกับคู่ต่อสู้ก็ยังต้องมีการซ้อมเพื่ออุ่นเครื่องเพื่อให้เกิดความแคล้วคล่องว่องไวเพื่อเตรียมรับมือกับคู่ต่อสู้ในวันสำคัญฉันใดการที่เราจะจดจำให้ได้ดีสมองก็จะต้องมีการเตรียมตัว เพื่อที่จะจดจำฉันนั้นการเตรียมตัวให้เกิดปฏิกิริยาที่จะช่วยให้เกิดความจำดีขึ้นนั้นจะต้องทำในเมื่อเราจะต้องการจำในวิชาที่ได้อ่านหรือได้ฟังการบรรยายมาอย่างจริงจังแล้ววิชาที่ยากแก่การจดจำบางวิชาอาจต้องการเวลาเตรียมประมาณสิบห้านาที และหลังจากการใช้เวลาสิบห้านาทีเพื่อการเตรียมตัวและปลุกประสาทสมองทําจิตใจให้สดชื่นต่อการอ่านเรื่องราวที่ต้องการจะจำอย่างคร่าวๆแล้วจงเริ่มการอ่านออกเสียงเบาๆพอได้ยินเพื่อการจําในระหว่างการอ่านต้องให้ความสนใจอยู่กับเรื่องนั้นโดยเฉพาะและอย่ามีความมุ่งหมายตั้งใจที่จะจาจนกระทั่งหมดเวลาที่กาหนดแล้วลองปิดหนังสือคิดทบทวนความจาดูคุณจะรู้สึกว่า คุณสามารถจะจำได้มากกว่าการอ่านตะลุยโดยปราศ จ, จากการเตรียมตัวได้มีผู้แย้งว่าการเตรียมตัวจะทำให้เราเสียเวลามากในวันหนึ่งหนึ่งเพราะจะต้องมีการเปลี่ยนวิชาที่เราจะศึกษาและจดจำหลายวิชาแต่และวิชาจะต้องเสียเวลาไปประมาณสิบห้านาทีซึ่งจะต้องเปลืองเวลาเตรียมตัวไปวันละหลายสิบนาทีเพื่อขจัดข้อโต้แย้งดังกล่าวขอแนะนำว่าเมื่อใดที่คุณจะต้องตัดสินใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งซึ่งคุณยังไม่เคยมาก่อนเลย ว่าจะต้องเผชิญกับปัญหานั้นนั้นแล้วจงอุทิศเวลาให้เป็นพิเศษสักเล็กน้อยเพื่อการเตรียมตัวเกี่ยวกับความจำของคุณเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆก่อนที่จะวินิจฉัยตัดสินใจอย่างใดลงไปทั้งนี้ก็เพราะการเตรียมตัวจะช่วยได้อย่างมากในการระลึกถึงความจำเก่าๆของคุณและจะช่วยให้การตัดสินใจของคุณมีทางผิดพลาดน้อยที่สุดการเตรียมตัวก่อให้เกิดผลดี เมื่อทำในเรื่องเดียว ก, กันกับที่คุณต้องการบันทึกไว้หรือต้องการจะระลึกขึ้นมาโดยเฉพาะในบั้นปลายของชีวิตมนุษย์เรานั้นยิ่งต้องการการเตรียมตัวมากขึ้นเพราะเมื่อเรามีวัยสูงขึ้นสมองของเราจะเริ่มลดน้อยถอยลงจะอุ่นเครื่องความจำเมื่อใดมนุษย์ส่วนมากมักจะมีปฏิกิริยาในระดับต่ำเมื่อตื่นนอนใหม่ๆโดยเฉพาะชั่วโมงแรกหลังจากตื่นนอนใหม่ๆบางคนมีปฏิกิริยาช้ามาก และอาจต้องการเวลา 2-3 สามชั่วโมงหลังจากตื่นนอนนักจิตวิทยากล่าวว่าระยะแรกของวันคือระยะเวลาที่เราตื่นนอนใหม่อันเป็นระยะที่มีปฏิกิริยาต่ำและเชื่องช้าที่สุดศูนย์ประสาทมีความไวต่อการรับต่ำมากจะเห็นได้ว่าคนที่ตื่นนอนใหม่ๆนั้นมักจะมีอาการเสื่องซึมอยู่ชั่วขณะกว่าจะรู้สึกปลอดโปร่งสมองพอที่จะคิดหรือสามารถจาอะไรได้นักจิตวิทยาผู้หนึ่งกล่าวว่า จากการวิจัยเราได้พบว่าภายหลังการตื่นนอนใหม่ๆคนเรามักมีความจำไม่ดีเท่ากับภายหลังที่มีการเตรียมตัวหรือได้มีการอุ่นเครื่องความจำแล้วจากการศึกษาค้นคว้าในเรื่องนี้ปรากฏว่าคนสำคัญๆของประเทศต่างๆก็ได้มีการเตรียมตัวเพื่อให้เกิดปฏิกิริยาช่วยความจำหรือวิธีอุ่นเครื่องที่ผิดแปลกแตกต่างกันออกไปหลายอย่างเช่น เบนจมินแฟรงกลินบุคคลสำคัญคนหนึ่งของสหรัฐอเมริกาได้มีวิธีเตรียมการเพื่อช่วยความจำที่ค่อนข้างจะพิสดารอยู่สักหน่อยกล่าวคือเมื่อตื่นนอนในตอนเช้าเขาจะยืนเปลือยกายตรงหน้าต่างห้องนอนแล้วสูดหายใจยาวๆสูดอากาศบริสุทธ์สดชื่นในยามเช้าให้เต็มปอดชั่วระยะเวลาหนึ่งแล้วจึงกระทากิจวัตรอื่นๆต่อไป นอกจากเวลาเช้าหลังตื่นนอนใหม่แล้วในระยะเวลาทำงานในตอนกลางวันนั้นยังมักจะมีช่วงเวลาหนึ่งซึ่งถ้าสังเกตคุณจะพบว่าในช่วงเวลานั้นมักจะเกิดความง่วงเหงาหานอนผิดปกติและเมื่ออาการเช่นนี้เกิดขึ้นและถ้าคุณต้องการสลัดอาการดังกล่าวให้หลุดพ้นไปเพื่อให้เกิดปฏิกิริยาแรงกล้าพอที่จะใช้สมองของคุณเพื่อทำงานต่อไปแล้วคุณจะต้องสลับเวลาอุ่นเครื่องอีกครั้งหนึ่ง จากการวิจัยของผู้เชี่ยวชาญทางจิตวิทยากล่าวว่าขณะที่มนุษย์กำลังตื่นและทำงานอยู่นั้นเรามักจะถูกรบกวนโดยคลื่นความง่วงเหงาหานอนเช่นกันความง่วงอาจจะเกิดขึ้นได้ในทุกสองถึงสมชั่วโมงในวันหนึ่งท้งนี้แล้วแต่ระยะเวลานอนและการตื่นนอนของแต่ละบุคคลและแต่ละวันไปในระยะเวลาดังกล่าวนี้จะรู้สึกง่วงและนึกอยากจะได้หลับนอนสักงีบหนึ่งและอาจถึงสับประงก ถ้าคลื่นของความง่วงปรากฏขึ้นอย่างมากแต่ถ้าคลื่นความง่วงปรากฏเพียงเล็กน้อยเราก็อาจจะรู้สึกว่ายากที่จะตั้งสมาธิอยู่ในการงานที่กำลังทำอยู่และรู้สึกอ่อนเพลียเหน็ดเหนื่อยแม้จะไม่ได้ทำงานอะไรนักหนาโดยปกติทั่วไปแล้วคลื่นของความง่วงที่เคลื่อนเข้ามาในระยะเวลาทำงานของเรานั้นจะผ่านพ้นไปในเวลาประมาณสิบห้าถึงยี่สิบนาทีนับแต่เรารู้สึกง่วงและแม้มันจะผ่านไปแล้ว แต่ปฏิกิริยาของเราจะคงอยู่ในระดับต่ำจึงจำเป็นต้องมีการอุ่นเครื่องกันใหม่อีกครั้งหนึ่งหรือหลายครั้งแล้วแต่จะเกิดง่วงขึ้นมากี่ครั้งด้วยเหตุนี้จึงกล่าวกันว่าการประชุมปรึกษาหาหรือธุรกิจใดๆในตอนเช้ามักจะไม่ได้ผลเท่าที่ควรเพราะเป็นการประชุมในขณะที่ผู้เข้าร่วมประชุมหลายคนเพิ่งตื่นนอนและบางคนยังไม่ได้มีเวลาจะเตรียมตัวเพื่อให้เกิดปฏิกิริยา สมองของบางคนยังคงมึนซึมเฉื่อยชาหลายคนอาจลืมแง่คิดดีๆส่วนมากจึงมักจะเริ่มประชุมเวลาประมาณสิบนาฬิกาในบางกรณีได้มีการแจกกาแฟให้ผู้เข้าประชุมดื่มหลังจากที่ได้มีการประชุมอย่างเครื่องเครียดกันมาแล้วพักหนึ่งแต่กาแฟจะออกฤทธิ์ไปกระตุ้นระบบประสาทสมองหลังจากดื่มเข้าไปแล้วประมาณห้าสถึงหกนาทีภาวะเสื่อมโทรมทางร่างกายกระทบกระเทือนปฏิกิริยาได้มาก สุขภาพทางร่างกายนะับว่าเป็นเรื่องสำคัญที่เกี่ยวเนื่องกับปฏิกิริยาที่จะช่วยความจำเช่นเดียวกันและได้เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปแล้วว่าโรคภัยไข้เจ็บทุกอย่างทำให้เกิดการลดลงของปฏิกิริยาตามความมากน้อยของโรคภัยนั้นๆแม้เพียงการอดนอนหรือการเป็นไข้หวัดเล็กๆ น, น้อยๆก็เช่นกันความเหน็ดเหนื่อยก็เป็นเหตุหนึ่งที่ปฏิกิริยาลดต่าลง นักจิตวิทยาผู้ให้กำเนิดแก่การศึกษาในเรื่องการทดลองความจำได้พบว่าในขณะที่เกิดความเหน็ดเหนื่อยนั้นมนุษย์จะจดจำอะไรได้ยากและต้องใช้เวลานา น, านกว่าปกติประมาณ1 0 1ถึงเซการนอนไม่เพียงพอการที่เราหลับนอนไม่เพียงพอหรือนอนน้อยเกินไปในคืนใดคืนหนึ่งนั้นเมื่อตื่นขึ้นและเกือบจะตลอดวันรุ่งขึ้นนั้นเราจะพบว่าความจำของเราลดต่ำลงไปมากสมองเกิดอาการมึนซึม วันแรกของการมีโลหิตประจําเดือนในสตรีที่โลหิตประจําเดือนเริ่มมาในวันแรกหรือก่อนหน้าวันที่มีโลหิตประจําเดือนมักปรากฏว่ามีความจําเสื่อมปฏิกิริยาลดต่ําลงไปมากแอลกอฮอล์แม้ว่าคุณจะดื่มไม่มากแต่ก็ปรากฏว่าในขณะที่มีฤทธิ์แอลกอฮอล์อยู่ในระบบประสาทนั้นปฏิกิริยาช่วยความจําในสมองนั้นจะสั้นเข้าและความจําจะเสื่อมซ้ำลงการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์อย่างหนัก และดื่มติดต่อกันเรื่อยๆไปนั้นอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ระบบประสาทสมองในช่องความจำบุคคลเหล่านี้มักจะกลายเป็นคนขาดความจำแต่กลับจะไปสร้างจินตนาการของตนเองแทนที่จะนึกถึงประสบการณ์ที่ผ่านมาวัยบุคคลที่มีอายุล่วงเข้าสู่วัยชารามักจะมีความจำเสื่อมลงเพราะปฏิกิริยาลดต่ำลงกว่าปกติจำอะไรไม่ใครได้แม้เหตุการณ์ที่ผ่านมาหยกยก บางคนเสื่อมขนาดได้พูดอะไรออกไปแล้วเพียงไม่ทันข้ามคืนก็ลืมเลือนเสียแล้วว่าได้พูดอะไรออกไปบ้างด้วยเหตุนี้เองเราจึงพบว่าในคนชารานั้นมักจะพูดอะไรซ้ำๆ ซ, ซักๆจนน่าเบื่ออย่างไรก็ดีจากการทดลองคน้นคว้าปรากฏว่าถ้าบุคคลเหล่านี้ได้รับการบำรุงร่างกายและสมองด้วยฮอร์โมนและวิตามินที่จาเป็นในการเสริมสร้างสุขภาพ และระบบประสาทในสมองอย่างเพียงพอแล้วความจำของเขาเหล่านั้นจะพุ่งขึ้นสู่จุดสูงดังเดิมและจะกลับเสื่อมลงอีกถ้าหยุดการให้ฮอร์โมนและวิตามินดังกล่าวการขาดวิตามินผู้ที่ร่างกายได้รับวิตามินบีไม่เพียงพอไม่ว่าจะอยู่ในวัยใดความจำจะโน้มเอียงไปในทางเสื่อมลงเป็นลำดับแต่จะแก้ด้วยการให้วิตามินบีเพิ่มเติมโปรดประลึกไว้ว่า ความจำของคนที่ขาดวิตามินบีจะดีขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่ได้รับการเพิ่มอย่างเพียงพอน้ำชาฝรั่งกาแฟโคล่เครื่องดื่มทั้งสามประเภทนี้มีวัตถุเคมีที่คล้ายคลึงกันผสมอยู่เคมีเหล่านี้จะไปทำการกระตุ้นเตือนและส่งเสริมปฏิกิริยาช่วยความจำให้เกิดขึ้นภายหลังได้ดื่มเข้าไปแล้วประมาณหนึ่งสี่ชั่วโมงแต่ถ้าดื่มมากเกินไปอาจให้โทษได้ข้อควรระวัง ขอเตือนว่าจงหลีกเลี่ยงการใช้ยาเม็ดแก้ง่วงโดยเด็ดขาดเพราะเป็นยาอันตรายวงเล็บเปิดนอกจากแพทย์สั่งวงเล็ปิดเพราะฤทธิ์ยาจะเข้าไปกระตุ้นเตือนระบบประสาทส่วนกลางปลุกปฏิกิริยาให้สูงขึ้นทำให้ความจำดีในช่วระยะเวลาหนึ่งแต่ถ้าใช้มากเกินไปอาจทำให้ความคิดฟุ้งซ่านเลอะเลือน